ความเพียรทางใจท่านอาจารย์องค์นี้นับปันเจริญเก้าวนาสติปัญญาค่อยแต่คะแนงออกไปโดยสมอำเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจอิริยาบถต่างๆเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอาถารชานชัยไม่วั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพนทุก์ไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้นเย็นมาหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ํา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 ใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้สู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกันกบพระอาทิตย์อุทัยช่างเป็นเลิศงามยามวิเศษเอาเสียจริงๆพอเลิกงามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกปิณฑบาตท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรอไรก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิง ท้งที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนของตนนั่นแหลขณะไปบินทบาทใจก็อินธรรมมองเห็นชาวป่าชาวเขาที่เคยอุปถักต์ดูแลท่านมาเรากับเป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กันทั้งสิ้นจิตระลึกถึงบุญถึงคนที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพลที่จะพณ น, นาคุณให้จบสิ้นลงได้เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณอดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศกุศลแก่เขาที่ได้ ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสําราญขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตใจก็อิ่มทำเมื่อคิดสัมผัสกับอาหารที่เคยดโรงและให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแต่อย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ธาตุกับอาหารเคยอาศัยกันมาทล่ า, าว่านะับแต่วันเกิดมาก็เพิงมาเห็นชีวิตธาตุขันกับจิตใจปลองดองสดชื่นต่อการเหลือจะพนานาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดติดหมายและกลายเป็นประวัติสาคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมาน้าแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินพลมวัตจากภายในจิตจมหายไปแล้วธาตุขันและจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตนไม่ถูกจับจองกดทวงจากฝ่ายใดอินสี่ห้าอายุนะหกทางานตามหน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันจะหาไม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 นับแต่ขณะสารสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องก่อกวนรลวลามต่างๆไม่มีประมาณซึ่งเคยยุตจิตเป็นสนามเต้นรำและทะเลาะวิวาดบาดหมางไม่มีเวลาสงบลงได้เพราะอวิชาตัญหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชา ง, งานให้กลาหุนวุ่นวายร้อยแปดพประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจกลายเป็นโลกร้างว่างเปลาา่าภายในจิตที่ผลิตพิชาธรรมอันบริวารขึ้นสวยเมงจิตตระธาแทนอธรรม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 มีความสบายหายห่วงมาแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีเครื่องกดทงลงใจอยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่มีสิ่งกดทีหรือแอบแทรกขอแบ่งกินแบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนที่อยู่กับนักขอทานโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวขอนั้นเดี๋ยวขอนี้อยู่ทุกอิริยาบถคำว่าขอนั่นขอนี่นั้นท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลนไม่มีเวลาอิ่มพอประจํานิสัยของมัน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 เมื่อมีความดีติดตัวพอเป็นเครื่องสืบพบต่อชาติเป็นคนดีมีสินธรรมต่อไปได้เกิดพบใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดที่ผิดฐานไม่มีความสำราญบานใจได้บ้างพอควรแก่พบกำเนิดที่อุตสาหเกิดกับเขาทั้งชาติที่ท่านเรียกว่าขาดทั้งทูลศูนย์ทั้งดอกนั้นก็คือผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้านครองจิตใจไม่มีการป้องกันฝ่าฝืนมันบ้างเลยมันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไร เหลือติดตัวดังกล่าวแล้วท่านผู้หมดหนีิสิมความผนังพลังทางใจแล้วจึงอยู่เป็นสุขทุกทุกอิรยาบถในขันที่กําลังครองตัวอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันเหลือแต่ความบริสุทธิ์พุโทโธเป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแหละคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาลซึ่งเป็นความสิ้นอย่างอัศจรรย์และเป็นการอันมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไใจพบ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 ตอนออกพรรษาแล้วใหม่ๆท่านเราให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกันซึ่งเริ่มแต่สองทุ่มถึงหกพุ่มเศษไม่มีใครมาเกี่ยวข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนั้นการสนทนาธรรมจึงเป็นไปด้วยความร่าเริงทั้งสองฝ่ายจนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมซึงเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติโดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่กอไก่กอการ ส, รสระอาสระอา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 การต้อนรับขับสู่กันระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กับประชาชนจํานวนมากที่มาจากที่ต่างๆประกอบนานาจิตั่งด้วยแล้วพระอาจารย์องค์นั้นๆมักจะเป็นฝ่ายบอบช้าอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีพูกไปเกี่ยวข้องซึ่งส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวไม่คํานึงถึงความลําบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทํำประจำวันเวลาบ้างเลยจึงมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน้ำบึงน้าบ่อเสอีกหากไม่สมใจหวังบ้าง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 พระบวชมาก็เพื่อทําประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่หนิงนอนใจเวลาหนึ Velvet ่งทำงานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันคืนหนึ่งหนึ่งทั้งจะเกดเวลาไว้สําหรับโลกทั้งจะเกดไว้สําหรับพระเนในปกครองและทั่วไปที่มาเกี่ยวข้องทั้งจะเกดไว้สําหรับธาตุขันและจิตใจให้จีรังไปนานเพื่อทําประโยชน์แก่โลกสืบไปวันคืนหนึ่งหนึ่ง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 ไปขอให้ท่านบอกเลิกงามยามดีเพื่อโชคลาภร่ำรวยหรือเพื่ออะไรร้อยแปดพรนน า, นามไม่จบให้ท่านดูดวงชะตาราศีทานายทายทักให้ท่านบอกคาถาอาคมเพื่ อ, อยูยงคงกระพันชาตรียิงฟันไม่ออกแทงไม่เข้าทุกตีไม่แตกไปขอให้ท่านรดน้ามนเพื่อสะเดาะเคราะห์เข็นเวรภัยร้ายดีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดต่อจรียประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพรับถือก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆในานองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพนันาได้ในวันหนึ่งๆเฉพาะพระธุโลงที่ท่านมุ่งอัดมุ่งท ร, รมมุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มัน่นท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งพันนี้ท่านถือว่าเป็นค่าศึกต่อการดําเนินโดยชอบธรรมและเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้น นาเข้าอาจเป็นการทำลายพระและพระาศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็ได้เช่นเขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์าศาสนาบัตรเบอร์พระสเสนยาแฝดศาสาศนาเสนยาแฝดเป็นต้นซึ่งทำให้พระและาศาสนาโมหมองและเสื่อมคุณภาพลงโดยลาดับอย่างหลีกให้พ้นที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากการกระทําดังกล่าวการกล่าวทางนี้ไม่ได้คิดตีหนิท่านสาธุชนทั่วๆไป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 แม้วัดจะชำระสุดโ o o หรือสวยงามเพียงไรใจท่านผู้นับถือพระพศาสนาทั่วๆไปย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ชาวพุทธผู้ก้าเข้าไปในวัดใดจะเป็นกรณีใดก็าตามจึงควรระวังสำรวมอินทรีย์ด้วยดีให้อยู่ในความดีงามพอสมควรตลอดการนุ่งห่มต่างๆควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธ ก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพไทเจ้าภูเป็นศาสดาแห่งโลกทั้งสามเฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงคะข้างไม่ค่อยมีโอกาสวานสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุกแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกวาเสียใจยที่คนคล้ายจะเวียนศรีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้น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 อยู่ในป่าในภูเขาเป็นทะเลบําเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่าเรื่นรมทราบว่าท่านพยาันหยารบปลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทหลายก็ไม่อาตมิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากคนทางที่นา่าตทำนิตเช่นแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภายในปา่าติดตัวมา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 ใหนมีความเมตตาอุเคราะห์ประชาชนอยู่มากตามปกตินิสัยที่ท่านปลีกตัวหลบปลีกไปในบางกรณีนั้นน่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่าที่ฝ่ายทําลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งมีจํานวนมากและโดนอยู่เสมอแต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาสินธรรมความดีงามไว้มีจํานวนน้อยอ้านทานน้ำหนักไม่ไหวก็จำต้องหนีรับความระบากเป็นธรรมดาส่วนมาก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 ด้วยสติปัญญาที่เคยฝึกหัดอยู่เป็นประจำจนชินิชำนาญบางครั้งท่านอาจารย์มั่นมาเตือนขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเหน็บเหน็บว่าท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตายทุกข์มากยิ่ยงกว่าทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่ในขณะ น, นี้ในภบชาติทิศ ผ, ผ่านมาเพียงทุกข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดาซึ่งนกโลกเขาม่ได้เรียนทำเขายังพออดพอทนได้บางรายเขายังมีสติดีมีมัญญาต่างงามกว่าพระเอาเสี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 พอให้ทราบได้ว่าเขาป่วยหนักเลยทั้งกราบทั้งไหว้ด้วยความรื่นเริงบันเทิงในใจในใจิตใจและมันยากที่อ่อนน้อมสวยงามจนใครๆในบ้านเกิดพิศวงโรงงานไปตามกันว่าเขาลุกขึ้นมาโดยลําพังคนเดียวได้อย่างไรเมื่อปกติแม้จะพลิกตัวเปลี่ยงการนอนท่าต่างๆก็จะช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะความระมัดระวังกลัวจะถูกกระทบกระเทือนมากและอาสลบหรือตายไปเสียในขณะนั้น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 จึงทําให้ร่างกายอ่อนเปียไปด้วยพระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกันลักษณะนี้มากๆศาสนาต้องถูกตําหนิกรรมฐานต้องล่มจมไม่มีใครสามารถทรงไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแใจขึ้นเคียงให้กิเลสมันซับเอายําเอาสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประทานไว้สําหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้านั่งเฝ้าไข่อยู่เฉยๆไม่คิดคนพิจารณาด้วยธรรมดังกล่าวเลย การหายไข้หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยสู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านจะนําลัทธิและวิชาหมูนอนคอยเคียงอยู่เฉยๆมาใช้ในวงาศาสนาและวงพระกรรมฐานผมอายครว่าทุกเขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเรีย่ยไรรียดซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้แล้วอ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัวท่านลองพิจารณาดูสิว่าสัจธรรมมีทุกข์ชาติเป็นต้น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 ตามแต่คนโง่จะนํามาทําลายสังหารตนหรือคนฉลาดจะนํามาทําเป็นหินรับหนีดหรืออื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการสติปัญญาก็เช่นกันจะนําไปใช้ในทางผิดคิดไตรตรองในทางไม่ชอบฉลาดประกอบอาชีพในทางผิดเช่นชลาถาอุบายโฉกลักปล้นขี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตามไม่ทันก็ย่อมเกิดโทษเพราะนําสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดจะนําสติปัญญามาใช้เป็นฐานอาชีพในทางที่ถูก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 ปัญญาย่ออํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใคร่ครวนไม่มีทางสิ้นสุดเพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่นายจะไรมาพอจะทําให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามากเกินไปจะกลายเป็นคนดีสซ่านผลาญทำประคองตัวไปไม่รอดและจอดจมในกลางคันสติปัญญานี้ปราท่านชมว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่างออกหน้าออกตาแต่ดึกดำบรรมาไม่เคยล้าสมัยท่านจึงควรคิดคน้น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 ให้รู้แจ้งต่างความจริงของสัจจะนั้นอย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยๆจะกลายเป็นโมฆะบุรุษในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั้งเดิมถ้าพระทุกองกรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจริงที่ประกาศอยู่กับตนอย่างเปิดเผยได้ก็ไม่มีใครจะสามารถอาจรู้ได้เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงที่ใกล้คิดสนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมดวงนอกจากนี้ แม้จะมีสัจธรรมประจำกายประจำใจด้วยกันก็จริงแต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณาอันเป็นทางรู้แจ้งผิดกันเนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอำนวยต่างกันเฉพาะพระทุดวงกรรมฐานซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดำเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลาถ้าท่านเป็นเลือดนั ก, กรกสมนามที่าศาสดารงขนานให้ว่าสากยบุตรพุทธชินโรรจริงๆแล้ว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 นอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงนั้นเจริญยิ่งขึ้นโดยลําดับจนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้นถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้แม้ไขในกายท่านจะกําเริบรุนแรงเพียงไรท่านเองจะเป็นเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรคือใจท่านไม่ได้ไหวหวัว่นสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการนั้นเลยมีแต่ความภาคภูมิใจที่สัมพันสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้เห็นแล้ว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 จะ แ, แย่และเดือดร้อนในภายหลังจะว่าผมไม่บอกถ้าเราว่าพอท่านเทศให้เราแบบพายุบุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปิติยินดีและตื่นตันในในโอวาทที่ฉลาดแหลมคมและออกมาจากความเมตตาท่านล้วนๆไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้น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 คือแยกกายและอาการต่างๆของกายออกเป็นขันหนึ่งแยกสัญญาที่คอยมั่นหมายหลอกลวงเราออกเป็นขันหนึ่งแยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆออกเป็นขันหนึ่งและแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งแล้วพิจารณาที่เหตุเทียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่ในกายอย่างชนมุนวุ่นวายโดยไม่ได้มีกาหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข์จะกาเริบเราจะตาย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 สัตว์ทุกต้นหน้ารู้สึกวันเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดหานสู้หน้ากล้าเผชิญ น, นอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้นถ้าสามารถโลบลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้นเราเองก็นับเข้าในจํานวนสัตว์โลกผู้ขีคลาดวาดกลัวทุกจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกที่กําลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหารด้วยความจริงเป็นพยานเอาละ เราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็เเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันนั้นั น, นออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันอะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณและเป็นจิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ ทำไมเราจรึงเหมาเอาทุกเวทนาว่าเป็นเราเป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกเวทนานี็หรือหรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกเวทนาหเราะเ ย, อะอย้ยยเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้น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 ใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาถรนต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิพราะอำนาจการพิจารณาแล้วให้ได้หายไปแต่บัดนั้นให้กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไร ข้อนี้สำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่ขัดขานเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูนให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทำให้สนิใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกหลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระทุนงกรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านเวลาเกิดโรคภยัยแค่เจ็บหยาง เ, เงียบโดยลำพงัง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 แต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องเหต้ายไปด้วยอํนนานาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่านจึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจําเป็นระหว่างขันกับจิตจําต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายพระอาจารย์องค์นี้ท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้ามาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดผ้าหงมกีบผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระรีเจท่านไปให้หมดและให้รอจนกว่ามองเห็นบานร ก, กระทุกกระทอบคูดีเล็กๆ เ, เ, เปิดเมื่ออะไรค่อยมาหาท่าน เมื่อพระไปกันหมดแล้วท่านก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่เก้านาฬิกาคือสามโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปแต่แบบนั้นจิตก็รมลงถึงฐานและพักอยู่ราวสองชั่วโมงเสร็จจนร่วมหกโมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็หายขาดจิตก็ปราเปรือง เืยเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบันท่านเป็นพระที่ฐ า, านเฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอได้องค์หนึ่งแม้อายุจะก้าวเข้าวัยชราภาพแล้วแต่การทำความเพียรยังจริงกล้าสามารถเสมอมามิได้ลดละเดินจงกรมแต่ละครั้งตั้งห6าหกชั่วโมงจึงหยุดพักแม้แต่พระหนุนนุยังสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของปราดท่านต่างกับพวกเราอยู่มาก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 คล้ายกับมีอะไรไปบอกข่าวให้สัตว์นั้นทราบและให้มาหาท่านพระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักคอยให้อาราักษาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่ตางๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้ามันมีทําไมจะมีอะไรมาหาท่านตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเทเราท่านท่านคิดคนละกี่พันเรื่องละกี่ร้อยกี่พันหนน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 แล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องผักและทําภาวนาต่อไปจนถึงบ่ายสองโมงถ้ามันมีธุระอื่นๆก็เข้าทางจงกรมทําความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดทันถึงจะออกมาจากที่ทําความเพียรหลังจากสงนานเสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปถึงสี่หรือห้าทุ่มจึงหยุดแล้วข้อที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจําวัดแล้วพักผ่อนร่างกายราวสามนาฬิกา คือเก้าทุ่มเป็นเวลาตื่นจากจำวัดและทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบินธบัดจึงออกบินธบัดมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบาส ท, ที่ยังครองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ท่านจำต้องทำให้ขาดได้นอกจากมีธุระจำเป็นอย่างอื่นเช่นถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างท่านผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่หวังความสุขรื่นเรืองจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเรืองในธรรมภายในใจโดยเฉพาะ ม, มีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์้วยทำภายในอยู่ในท่าเอลยาบทใดใจก็มีความสุขเสมอตัวมันจเจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความจเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กันทั้งนี้เพราะท่านวิจัยดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพมันมีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่นจึงเป็นความสงบสุขที่หาอะไรเปรียบไม่ได้จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิเป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัว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 ก็มาคิดไปต่างๆว่าท่านในตอนรับแขก บ, บ้างท่านรังเกียจผู้คนบ้างท่านโลภีกเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวไม่สนใจอดรมสั่งสอนประชาชนบ้างความจริงก็เป็นดังที่เรียนมานั่นเองการอบรมสั่งสอนคนจะหาใครที่อบรมเรวยความบริสุทธิ์ใจและเต็มปเปด้วยความเมตตาไม่สนใจกับอามิตรหรือสิ่งตอบแทในใดๆเหมือนท่านรู้สึกจะหายากมาก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 จึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มานตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระธุดงค์ภูมิวงตความหลดพ้นให้ฝังว่าธุดงค์ขวัตต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดและยกธุดงค์ขวัตสมัยที่ท่านพาหมฆคณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้ําอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมฆคณะดําเนินตลอดวังสิ้นอายุของผมก็เป็นธุดงค์ขวัตที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัย จึงควรเป็นที่หลวงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองคใดแต่เป็นสมบัติของผู้รักใคร่สนใจปฏิบัติทุกๆคนที่มุ่งประโยชน์จากศาสนาเพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้สมหรับโลกเลยอย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายจะพร้อยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วย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 ไม่ได้นอนทิ้งเนื้อทิ้งตัวกลัวความตายไร้มนบนเพิ่ไปต่างๆดังที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงศีหะสยานิพานส่วนพระไถยก็ทรงทําหน้าที่นิพานอย่างองค์อาจกล้าหาญเรากับจะทรงพระชนอยู่กับโลกต่างกับต่างกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศัสดาในวราระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติทรงถอยเข้าถอยออกจนควรแกาการแล้วจึงเสด็จป ร, ริญพานไปแบบศัสดาโดยสมบูรณ์ ไม่ส่งยื่อใยกับสิ่งใดนในสามภพนั่นแลศาสดาของโลกทั้งสามท่านทรงทําตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรุจนวันเสด็จประนิพพานไม่ส่งลดละพระอาการ ใ, ใดๆจากวานเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาทํากันทรงปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้ายจึงควรน้อมนําตัวอย่างของศาสดามาปฏิบัติดาเนินแม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบศาสดาทุกๆกระเบียด แต่ก็ยังอยู่ในเกมของลูกศิษย์ที่มีครูสั่งสอนบ้างไม่เควงควางเหมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้ทอสมอการปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวนั้นย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายด้วยใครต่างๆไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับย่อมไม่สามารถแล่นไปถึงที่หมายได้และยังอาจลอยไปตามกระแสน้ํา และอาจเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉนั้นหลักคําวินัยมีธุดงควัตเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภยัยจงยึดให้มั่นคงอย่าโยกค้อนวันไหวผู้คอยดําเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดราวเป็นยิ่ยงอย่างจะเหลียวไหลไปตามธุดงควัตคือปฏิบัติอันตรงแนวไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติ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 ผู้นี้คือผู้มีาราตรีอยู่กับธรรมไม่วันไวเอ็นเอียงสำหรับท่านเองไม่มีอะไรวิโสก็จริงแต่ผู้เกี่ยวข้องเรื่องกับท่านนี้มากมายจึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้านเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นยาไม่มีผิดพลาดดังนี้ท่านสอนผมท่านเล่าว่าเพียงนอนตื่นผิดเวลาบ้างเล็กน้อยท่านยังเรียนว่า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 ซึ่งมีสติระวังตัวดีกว่าปกติเวลาเที่ยหากินคําว่าจําวัดก็ ค, คือความระวังตั้งสติหมายใจะจะลุกตามเวลาที่กําหนดไฟตอนก่อนนอนไม่ได้นอนแบบขายทอดตลาดดังสินค้าที่หมดราคาแล้วตามแต่ลูกค้าจะให้ในราคาเท่าไร่ตามความชอบใจของตนพระที่นอนปล่อยตัวตามใจชอบนี่ไม่ใช่พระสากยมุตรพุทธบริสัทผู้รักษาศาสนาให้จเจริญในตนได้ผู้อื่นแต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาดตามยถากรรม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 กับคำว่านอนของคนและสัตว์ทั่วไปดังนั้นความรู้สึกของพระสักคิญบุตรที่จะปรงใจจำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความสําคัญติดตัวในขณะนั้นได้เวลาอื่นๆจะสมชื่อว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านใจตรองในทุกกรณีไม่สักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทำสักว่านอนสักว่าตื่นสักว่าเฉยสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดิน